ภิกษุรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตรู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตจะตายเพราะการบริโภคก็ยังบริโภคต้องอบัตปาจิตตี